พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าทดแทนคุณด้วยธรรมวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6 สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้หลวงพ่อจะให้พระในวัดของเราไปกราบคารวะศพของหลวงปู่หลวงพ่อประสิทธิ์วัดธรรมสหายนะเอารถตู้ไปคันหนึ่งให้ในายบุตรเป็นคนขับแล้วก็เน้นไปทางผู้สูงอายุ หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่อยากจะไปกราบคารวะท่านแล้วก็รถพอน้อยคันหนึ่งให้พอน้อยขับแล้วขัรถขันไหนบ้างให้ครูบาช่วยช่วยการดูองค์ไหนที่เคยไปอยู่กับท่านมา ก, ก่อนเคยไปกราบไปอยู่กับท่านมาจะไปกราบคารวะโค้งสุดท้ายของท่านก็ได้ จะทารถดูไปพอประมาณผู้ที่เคยไปมาแล้วไม่ให้ไปเพรอไปมาแล้วนะผู้ที่ยังไม่เคยไปก็ไปกราบคารวะท่านแต่ว่าการไปทุกองนะอย่าไปคึกอย่าไปขนองอย่าให้มีมีปัญหาไปเพื่อเจตนาดีเพื่อไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ที่ท่านโ ร, โรยไปตามอายุสังขาร เราไป แ, แสดงความเคารพการวะในสิณีจรีละของท่านาแล้วก็ไป เ, เมื่อกราบท่านกันน้อมมหาตัวเองอีกอครูบาอาจารย์ที่ท่านามีบุญวาสนาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไม่วางเว้นเรื่องมรณะภัย อีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าก็าจะต้องเดินตามแนวแถวค ร, ครูบาอาจารย์นั่นแหละนี่แหละให้ไปกราบให้มีความาน้อมนำมรณะภยัยที่เป็นพิษภัยสำหรับพวกเราทุกๆคนแล้วก็ปไปกราบคุณงามความดีของท่านปัณนวันวันนี้ฉันจะขาญเสร็จเรียบร้อยก็ ให้พระเก่านะัวนช่วยๆกันจัดนะไปกี่องค์กาบคารวะท่านที่ทำกองเป็นไอ้ที่ทำสหายพลังขอให้พวกเราช่วยๆกันดูนะแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อไปทอดผ้าป่าสามกีไปรับในมนในโรงพยาบาลศูนย์อุดร ก็พี่น้องประชาชนก็มากล้นหลามมีเจ้าท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานเจ้าคุณราชพระราลังการแล้วก็มีคณะแพทย์คณะหมอทําพุ่นตรงตรงใต้ทุนกุติหลวงตานั่นแหละกุติที่โรงพยาบาลของหลวงตาหลวงตาสร้างขึ้นมาสิบชั้นใต้ทุนพีน่น้องประชาชน เขาไปทําบุญที่นั่น้วคงจะนั่งไม่ครบกันนะหลวงพ่อวานนะเพราะขนเยอะเหลือเกินเมื่อวานนะคงจะล้นออกมากจากโรงพยาบาล เ, เพราะนั้นให้เมื่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนนะถวายพัะทหารพระสงฆ์อุทิศส่วนกุศลจะตุปัจจัยเมื่อวานก็ไม่ได้มากนะเมื่อวานก็เราพนีไม่ได้เน้นหนักอะไระได้ ที่ประกาศออกมาก็ได้ประมาณห้าหกแสนกว่าบาทมั้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะ่ะแต่เราก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมากโรงพยาบาลศูนย์ขนศูนย์อุดรเพราะยังตั้งหลักไม่ได้มีแต่โรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเราเตั้งหลักออพอไปไประชุมเมื่อเดือนมิถุนา บอกว่าปัจจัยได้ใช้ไปประมาณสามล้านกว่าวัดนนหลวงพอ่อโฮดูแลพระสงฆ์นี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อวานที่หลวงพ่อได้ไปจากนั้นก็ได้ไปแซวไปดูอาคารโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลที่กุญชัยณสีละวันไปสร้างก็ขึ้นจะเกือบชั้นสามแล้วนะโอ้เร็ว เมื่อวานเป็นการตรวจตรวจการจ้างของคณะกรรมการหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสไปไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้ไปตรวจอแต่เพ่าไปดูไปดูเฉยๆ เ, เพราะมันมีเวลาว่างว่างอยู่ในช่วงฉันยังหันเสร็จเลยแซวไปดูไปก็เห็นโอ้ลูกหลานทําได้ดีแน่นหนามั่นคงจะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีนไง อเป็นอาคารที่มาตรฐานทีเดียวไปเห็นแล้วแต่นั้นก็กลับปัดพอกลับมาตอนบ่ายพระท่านบอกว่าโอ้น้ําน้ํำนองนะหลวงพ่อนะ่ะน้ำหลากวันนี้เหม น, นเออหลวงพอ่อไปดูดูใช่ไไปดูที่สะพานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ที่เรามีตะข่ายออปลดออกได้ยังป่ะถามว่าพระว่าปลดออกแล้วนะ่ะมันล้นขึ้นมาแล้ว พอตอนบ่ายลุพ่อก็เลยไปไปดูน้ำกำลังท่วมสะพานไปเห็นพวกปลาปลาเล็กปลาน้อยตัวใหญ่ไมไม่เห็นนะมันอยู่น้ำลึกนะแต่ตัวน้อยนะเต็มไปหมดขึ้นมาในฝั่งมันจะขึ้นไปข้างบนก็ปลาในวัดเต่ยเยอะเราบอกว่าเอ้ยมันขึ้นไปทำไมวะอยู่ในวัดนดีแล้ว ถ้าตัวไหนขึ้นไปไปออกไปข้างนอกเพราะว่าปลาตัวนั้นมันลาสิบขาแล้วเขาว่างนันนะเจ้าบ้านเขาว่ากั้นนะเขาสําเร็จโทษตัวนั้นเขาเขาจับไปเขาหม้อต้มหม้ อ, อกแกงกันละปลามันออกนอกวัดแล้วมันลาสิบขาแล้วขอนะถ้ามันอยู่ในวัดไปว่ายังบวชอยูนะ่เขาจะเขาจะยังไม่มาจับเอายังไม่มาจับเพราะนั้น มึงจะไปออกไปนอกวัดนะแต่ออกนอกวัดเขาว่ามึงศึกแล้วนะไม่ได้นะโอปลาหลายเมื่อวานเห็นปลาหน้อยทุกแบบเกือบทุกประเภทอลยแต่น้ํากระท่วงไม่มากแต่ประมาณครึ่งแขรงนี่แหละแต่ถ้ามองถ้าใครมองเห็นเมือ่อขนมพ่อไปตรุยน้ํำลึกแต่ตามไม่จริงน้ําไม่ลึกอ่รู้จึกก่อเห็นแล้วกันนะปีนี้น่ะอปีห้าเก้า เมื่อ ว, วานเนี่ยนะน้ำมากที่สุดในวัดของเรานนะลูกลานนะแต่ถึงยังไงวัดของเราก็ยังตกไม่แรงอยู่นะพอเสร็จแล้วลหลวงพ่อก็ววไปทางหลังวัดอีกตะเวนไปทางหลังวัดไปดูสระน้ำอีกสามสระที่เราขุดไว้เมื่อสามสี่ปีให้หลังน้ำยังไม่ครึ่งสระอีกเออมันไปตกแต่ทางแถวปูกกรบ้านเพิ่มแต่แถวขุบเขาเนะนี่อน้าก็เลยนองมา แต่ในวัดของเราน้ําไม่มากน้ํำยังไม่มากมันวานนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่อก็ตะเวนในวัดเหมือนกันนะดูสถานที่ต่างๆดูเพราะว่าวัดของเรามันกว้างมันตรงไหนบ้างบางบางทีกลัวกําแพงจะซุดจะล้มบางเวลาฝนตกแตงนะหลวงพ่อกับกำชับพระในวัดของหลวงพ่อเหมือนกันให้ช่วยๆกันดูเนาะต้นไม้บ้างกำแพงบ้างที่ไหนไหน ในวัดของเราช่วยกันดูถ้ามันมีปัญหาตรงไหนก็บอกกันถ้าว่าไปก็เหมือนกับหลังต่อหลังแตนนั่นแหละอยู่ในวัดถ้ามันแตกมันชุดที่ไหนก็ช่วยๆกันหยุดยานะแต่ถึงยังไงก็ตามในพรรษาคณะสัตาติโฐมลูกหลานทุกคนส่งสมบุรณ์คุสน ใครนะอยู่ณสถานที่ใดให้รู้จากสถานะของตนเองเราอยู่ไกลพ่อไกลแม่เราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของเราอย่าให้ท่านลําบากทุกข์กรรมลาบากพอเราที่จะช่วยเหลือท่านได้อยู่ในช่วยกันดูแลอันนี้นานๆหลวงพ่อจะได้พูดทีหนึ่งแต่ที่ยังไงก็ตามในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านไม่ให้มองข้ามเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาทุกอย่ากลำบากขนาดไหนก่จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วปีกก้าขาแข็งแล้วนะไม่มองเห็นใครเลยเว่าตัวเองเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ระลึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปกระคุณอันนั้นไม่ถูกต้องนะเราต้องนึกย้อนหลังนึกไปหน้าเรื่อยๆไม่ได้นึกไปหน้าคืออะไร พอเราใหญ่ขึ้นมาก็นะมีครอบมีครัวมีลูกรักลูกลักเมียเอารักขอบรักครัวไปแล้วก็ลืมไม่ได้ลืมมองดูข้างหลังเนีข้างหลังก็คื อ, อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลําบากเป็นยังไงท่านทุกเลยากลําบากไหมขณะนี้ถ้าว่าท่านมีความสบายอกสบายใจเดียว เ, เราก็อยู่ด้วยความสบายใจ ถ้าหากว่าท่านไม่สบายหรือว่ามีอะไรเราก็ควรจะไปไถ่ถามท่านเหมือนกันนะพราเหตุไรพ่อแม่ถึงจะใจแข็งขนาดไหนคนเถกก็ยังคิดถึงลูกๆอยู่เหมือนกันนั่นแหละใครลูกคนไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรอย่างลวงพ่อไปอยู่กับ ย, ยมย้ายมย่าเป็นแม่ชีนะ อายุตั้งเจ็ดเจดสิบกว่าเกือบจะข้อแปดิบแล้ว เ, เวลาไปเยี่ยมท่านาไปอยากไปกับคุณพ่อคุณแม่หรกแล้วก็เป็นกับนั่นะบางทีก็ไปเยี่ยมท่านตามลำพังพวกญาติญาติก็เล่าๆ ล, ล่าให้ฟังวันนี้นะวันนี้คุณยา่าท่านคุณย่าเนี่ยคนโบราณเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าอยู่ดีๆมันปวดมันขัดมันขัดหัวนม คนโบราณคันเอลูกกูไดน้เนบะสบายนี่ฮะไอ้วันลูกมันอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะไม่มีโทรศัพท์เรียกร้องหากันคนโบราณโทรศัพท์มันก็ไม่กี่ปีนี่เองเอคนโบราณลูกอยู่หลายคนอยู่คนละแห่งละหนแลยแต่และหมู่บ้านท่านขัดหัวนมท่านบอกเออลูกกูได้อบาะสบายเนี่ย ขนาดนั้นท่านคิดถึงลูกของท่านทันทีว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างไม่สบาย เ, าเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์ลาบากอะไรบ้างนี่แหละผู้เป็นแม่ขนาดนั่นแหละสังเกตตัวเองถึงขนาดนั้นแต่มันจะแท้จริงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเาขาก็คงจะใช่ที่ามัคงจะสังเกตมันตั้งแต่ดึกดาบันโรารโบราณเาขาได้สังเกตมาจาก ง, งนานเขาก็มาถึง คุณออย่าลุงพ่อยังได้ยินสมัยเป็นเด็กของพ่อยังจําเอำจําไม่ลืมเออคนโบราณเนี่ยเขาสังเกตอย่างนี้เองนะเวลาลูกอยู่ที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกที่อยู่ไกล อ, อพ่อคุณย่าเป็นอย่างนั้นขึ้มากับลูกทุกคนก็มีอยู่กย็ยังเหลือหลุยังเหลือหลวงปู่จามฮะหลวงปู่จามไปทางเชียงใหม่หายเงียบไม่ส่งข่าวค่าวอะไรเลย ท่านโอ้ไม่ใช่อาจารย์จามหรอป่วยที่ไม่สบายแมแย่เจ็บขัดหัวนมเนาะขัดนมเนาะคุณยาท่านพูดนะพวกลันหลา น, นก็นั่งฟังนขนาดเป็นห่วงขนาดลูกลูกเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงแต่ขึ้นห่วงอยู่เป็นบางครั้งแป๊บเดียวแล้วก็บกจบแต่คุณแม่คุณพ่อมันห่วงยาวยาวนานทีเดียว เพราะนั้นในจุดนี้แหละอยากจะให้พวกเราทุกท่านที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยช่วยกันดูแลประคับประคองเรื่องอาหารการบริโภคบ้างเรื่องผ้านุ่งห่มบ้าง อ, อย่างยากแก้โรคภัยไข้เจ็บบ้างแต่ที่อยู่อาศัยของท่านเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดาทุกคนจะช่วยช่วยกันเนาะอันนี้หลวงพ่อย้ำกล่าวาจากจาก ถามหลวงพ่อไม่พูดก็ไม่รู้ใครจะพูดอีกเหมือนกันพาอมันจะได้ห่างเหินไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ถ้าหลวงพ่อไม่พูดนะถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในพุทธศาสนาอย่างหลวงพ่อเนี่ยนานๆหลวงพ่อก็พูดย้ำกล่าวเออลูกหลานอย่าลืมบุญคุณของบิดามารดาเนอรผูภกกรีบุคคลผู้มีอุปกรกรพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาตอบแทนบุญคุณท่านได้อย่างไร เป็นหน้าที่ของพวกลูกหลานทั้งหลายจะช่วยกันคิดเลูกๆทั้งหลายช่วยกันคิดบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าท่านว่าพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาชักจะชักจะเกินไปเชลมั่งในธรรมคำสอนนีเป็นพุทธเป็นพองค์ตรัสหรือเปล่าหรือเป็นใครพูดผู้ปลกพูดขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นหผู้ที่สงสัยนะผู้ที่สงสัย พระหันพ่อแม่เป็นพระหันของบุตรธิดาหลวงพ่อเอา้าเราทําไมไม่ฟังให้ชัดๆล่ะวะฟังให้ดีที่ท่านไม่ได้ว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหันไม่ท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะพระหันของบุตรธิดาบุตรธิดารู้ไหมเป็นใครบุตรรู้ไหมธิดารู้ไหมบุตรก็คือลูกผู้ชายธิดาคือลูกผู้หญิง พ่อแม่เป็นพระหรหันของลูกชายลูกหญิงคนนั้นไม่ใช่พระหรหันของทุกคู่ทุกคนเ อ, อเราจะไปหาเนื้ว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระหรหันกับในโลกมันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพ่อแม่เป็นพระหรหันของบุตรธิดานีก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราไม่คิดปลามาดแล้วเขาเราไม่คิดในคาครวะพ่อแม่แล้วก็มันไม่ไม่เป็นอย่างอื่นแหละเว้นเสียแต่เราเคิดไม่ประมาดพ่อแม่ในจิตในใจ พ่อแม่ไม่รักเราพ่อแม่รักคนอื่นพ่อแม่ให้สมบัติคนอื่นพ่อแม่อิจฉาเราพ่อแม่ไม่ให้ความเมตตากับครอบครัวของเราหนึ่งมันมีอิจฉาอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็เลยมองไปทางอื่นแต่ตามไม่จริงถึงจะมองไปทางไหนก็เถอะมันก็มองผิดที่ผิดทางทั้งนั้นแหละพ่อพ่อแม่เลียเ้ยงดูเรามา เ, เมื่อเลี้ยงดูเรามาเราต้องการอะไรจากท่านอีก ยังไม่พออีกเหรอขาสองแขนสองสมองหนึ่งวิชาความรู้พ่อแม่ให้หมดแล้วยังไม่พออีกเหรออยากจะได้อะไรอีกอยากจะได้สมบัติของท่านเหรอเดอยากจะฆ่าท่านแล้วก็แย่งเอาสมบัติของท่านอย่างนั้นอีนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเอาขนาดนั้นเชียวเหร อ, อถ้าคิดขนาดนั้นก็เป็นลู ก, ลก ท, ทิดลูกศิษย์เทวทัตเลยสิถ้าลูกศิษย์ผู้มีศีลมีธรรม พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาขาสองแขนสองสมองหนึ่งแล้วก็ใหญแ่แล้วเราพร้อมที่จะบินกระโดดไปในทิศทั้ง4มันเป็นถ้าเรามันขยันคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ถ้าพันังทั้งโง่ด้วยทั้งขี้เกียจ ด, ด้วยยาวหวงเลยจะหาทรัพย์ได้มีแต่ มองไปมองมามองไม่เห็นที่อื่นมองเห็นแต่รับสับสมบัติของพ่อแม่เพราะเหตไรเพราะมันโง่ลูกประเภทนั้นถ้าใครได้ลูกประเภทนั้นขึ้นมาเลยกันนะพ่อแม่เนี่ทุกทั้งทั้งปีทั้งชาติเกิดมาชาตินั้นไปว่าไม่สมหวังในลูกโง่เผยเผยเหตุทะเลาะวิวาทกับพี่กับน้องกับวงสาคณนายาตอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะขี้ลูกขี้เกียจลูกโง่อีกต่างหากทั้งโง่แล้วยังไม่แล้วยังทําความชั่ว เอาเรื่องราวมาให้ครอบครัวอีกต่างหากาลูกประเภทนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราให้มองให้มองตอนเองนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นอหลวงพ่อไม่ได้เจาะจงท่นานผู้ใดใครผู้หนึ่งนะให้พวกเรามองดูดตนเองเออย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็เป็นมีพ่อมีแม่เหมือนกันอพอหลวงพ่อออกมาบวชแต่เป็นสมมเรนรหลวงพ่อไม่เคยให้พ่อแม่หนักใจเลยไม่เคยขอเลยเอถ้าไม่เคยขอหลวงพ่อเคยขอครั้งหนึ่งนะ เอ่ยังจัดประทับใจอย่างยังจะเถื่อนใจยังไม่ลืมนะเออพอสมัยนั้นน่ะหลงพ่ออยู่ในภูภูเจ้าก้อนเป็นเนเนใอ่เป็นเนนเวลากระโดดในก้อนหินน่ยมันเก็บเท้านะ่ยมันเป็นตีนมันเออมันเป็นแผละนะ่ะแต่นี้ชาวบ้านเขากําลังซื้อรองเท้าสมัยนั้นขึ้นมาใหม่ๆเลยนะ่ะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรองเท้าตราดาวเทียมนะรองเท้าตราดาวเทียม ทีนี่เขาก็ะสามาที่วัดหลวงพ่อก็เป็นเนนเนนอยู่ในวัดก็อโยงหลวงปู่มีครูบาองค์สององค์หออลวงพ่อเอ๊อยากจะได้ได้รองเท้าตาดาวเทียมแะม่กับเขาบางเพราะอยู่อยู่ในภูเขาเอพอถึงพ่อได้ยินหลวงพ่อคล้ายๆกับว่าท่านคล้ายๆกัว่าท่านอยากไม่ให้ไม่ให้อประหยัดนะพูดง่ายๆเอเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ใส่ หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้ใส่ท่านก็ใส่รองเท้าหนังอมันก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมรองเท้าหนังมันลื่นนะออยู่ในภูเขาะเออท่านก็ไม่อยากจะให้เราใส่เพราะเราเป็นเป็นเนนเอจากนั้นก็เลยทางบอกว่าไม่เอานะนะไม่ต้องซื้อแล้วนะเพราะมันคูบาเป็นเนนไปหาใช้รองเท้าคูบาอาจารไม่ได้ใส่ท่านก็เจตนาดนะีพ่อแม่แต่เรารู้สึก อ, เ, อเสียความรู้สึกในในที่ว่าเราต้องการ นี่นแหละอันนี้คือเราเราก็คิดสรุปแล้วก็คือทําให้ท่านไม่สบายใจเราทําให้ท่านไม่สบายใจในจุดท่านนะหลวงพ่อยังจําไม่ลืมกระทั่งทุกวันเองหลวตุกหลานคิดดูซินี่แหละทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจหลวงพ่อไม่สบาย จ, จากนั้นหลวงพ่อไม่เคยขออะไรอีกเลยจากพ่อแม่มีแต่ให้ถ้ามีเรามีนะมีคุณพ่อคุณแม่มีอะไรมียุกยาอะไรมีอะไรที่จะต้องให้ทุกพ่อให้ เรื่องขออีกลุงพ่อหยุดขอนะมองไม่เห็นอีกที่หลังอีกถึงไม่เคยขออะไรอีกจากพ่อแม่เลยนี่แหละลุงพ่อเองมองดูตนเองเหมือนกันนะ เ, เราทำอะไรไว้ไว้บ้างให้พ่อแม่สะเทือนใจแต่ข่าวนั้นก็ไม่ใช่แม่พ่อนะขอจากคุณพ่อขอคุณพ่อมาอยู่ใกล้มาใกล้เนนช่วงนั้นก็อายุ ก, ก็ประมาณทักสิปีท่านเองนะ เป็นเนนอยู่กับหลว ง, ลวงปู่ล่านี่ยแหละจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยบครบกวนพ่อแม่อะไรอีกอยู่แบบ อ, อยู่แบบพระแบบเนนไปเลยชใช้ชีวิตแบบพระเนนไปเลยเจนถึงมาถึงปูนนี้แะคณะสัายา ญ, ญาติโยมพระเนนลูกหลานหลวงพ่อมาเกิดมาในสถานที่กันดานแต่รู้จักประมาณตนแต่ละลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่พ่อแม่ เออเมื่อท่านโค้งสุดท้ายมาขนนะัดน่ะหลวงพ่อก็ดูเข้าโรงพยาบาลยังไงไปที่ไหนอย่างไรเถ้าหลวงพ่อจะบรรยายให้ลูกหลานฟังเขาคงจะยืดยาวทีเดียวแต่ผลที่สุดขนาดโยมพ่อก็ดีโ ย, ยมแม่ก็ดีได้มาไปชุมเพลิงที่วัดของหลวงพ่อเ น, นี่แหละทั้งสองท่านนะอพอหลวงพ่อเห็นนะว่าพี่น้องเอาอย่างไงสุดแท้แต่คู่บ้าเอเพอราะธรรมก็ยกให้เขาขอรบในคู่บาน กุบาคือคุบาน้องของเขานะี่ยนะทั้งพี่พทุกคนก็ให้ความเคารพเกรงใจหลวงพ่อก็รับพ่อแม่มาดาูแต่เอาเขาเหล่านั้นละ่ะเป็นผู้ดูแลแต่หลวงพ่อก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเองเหมือนกัน เ, เรื่องเก็บไข่เรื่องยุกเรื่องยาเรื่องอะไรต่อมีอะไรหลวงพ่อจะเป็นผู้ดูแต่เขาเป็นผู้ปนนิบัติเพราะเขาเป็นผู้หญิงแเราผู้ชายก็ดูแลนี่แหละ อันนี้ก็คือหลวงพ่อเองเป็นพระถึงจะเป็นพระก็ไม่ได้ปล่อยประละเลยพระคุณของพ่อของแม่นะระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่ตลอดแต่เราจอยู่จะทําให้ดีที่สดุดในขณะที่เราเป็นพระนะเราเป็นพระเราทําหน้าที่ให้ดีที่สดุดไม่เหตุแพ้ญาติโยมเพราะผลออาจจะดีกว่าศรัทธาญาติายาโยมก็มีครอบมีครัว บ, บางทีเป็นห่วงลูกห่วงครอบของห่วงครัวของ ทรัพสมบัติของเขาหว่วงวิชาอาชีพของเขาเ อ, อ, อาจจะเขาไม่ได้มาดูพอ ด, ดูแลพ่อแม่อย่างใกล้ชิดนะแต่ลงพ่อหม่อยลงพ่อเนี่ยพอมาอยู่กับพ่อตรงพ่อเนี่ยพอตอนเช้าก็ไปแยะเยี่ยมไปไงคุณแม่คุณพ่อไปยังไงออพอถึงตอนฉันจะหันเสศษลงพ่อก็ไปไงทานอาหารแล้วไปยังไงคุณพ่อคุณแม่ได้ทานอาหารแล้วยัง ตอนบ่ายลงมาฉานหน้าก็ไปดูอีกเป็นไงดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็นก็นดูอีกนั่นแหละวันหนึ่งจังหลายเที่ยวเหมือนกันนะดูแลในขณะที่ท่านมาอยู่เพื่อไม่เพื่อท่านมาอยู่แล้วไม่ให้ท่านว้าวี ว, ว่าขนาดเล่าเจ็บใครได้ป่วยลูกก็ไม่ได้ให้ความสนใจ <S <S. <S ครูบาก็อเอามาไวแ้แหละก็เฉ ย, ย, ยเฉยเมยเมยหัวท่านจะคิดอย่างันไปอีกเหมือนกันนะ เพราะน้เราหลวงพ่อเนี่ยนะนะดูแลบิดามารดาดูแลพ่อแม่นะลูกหลานนะนะทให้ดีที่สุดนะั่นะเราอยู่ในสถานะไหนพอที่จะช่วยพระคุณของท่านได้เพราะท่านเป็นบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเตวิกตวเวทิทิตายางไรกับพระคุณของท่านเหล่านั้นท่านทั้งสองนั้นนะนะใครถึงจะเรียกใครว่าเป็นพอ่อคุณพอ่อคุ ณ, คณแม่ก็เถอะ มันมันเรียกไม่สนิทใจเหมือนกับพ่อแม่ที่บังเกิดก้าวนะ เ, เพราะเนื้อหนังของเราตั้งแต่หัวจุดเท้านะ เ, าเราได้มาจากใครได้มาจากแม่มาจากพ่อนะ เ, อเพราะฉะนั้นเมื่อเลี้ยงออกมาแล้วท่านอย่างเลี้ยงดูเราด้วยการทนุถนอมอีกนะจนเราเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเนี่ยนะมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรจากท่านอีกทางด้านวัตถุนะ ไม่มีอะไรที่จะเอาจากท่านแล้วมีแต่เราจะคืนให้ท่านนั่นอ่ะอันไหนที่จะเป็นประโยชน์อันไหนที่พ่อแม่อยากจะได้กับเราเราก็พร้อมที่จะให้คืนให้ท่านแต่ถึงยังไงก็ตามในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่มีอะไรที่จะยดียิ่งกว่าในในการคืนคื น, นทดแทนพระคุณพ่อแม่ยิ่งกว่าธรรม ถ้าหาว่าลูกผู้ใดก็ตามหาสมบัติมาให้ดูเลี้ยงดูพ่อแม่ดีที่สุดจนให้พ่อแม่นั่งอยู่บ่าคุณแม่นั่งอยู่บ่าซ้ายคุณพ่อนั่งอยู่บาขวาไม่ลงจากบ่าเลยตัวเองนั่งอยู่นั่นนั่นท่านสมมตินะแล้วก็หาอาหารให้ให้เลี้ยงพ่อแม่ดูพ่อแม่ดีที่สุด ถึงขนาดนั้นก็เถอะก็ยังไม่สู้ผู้ที่แนะนําสั่งสอนให้พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิให้รู้จักดีให้รู้จักชั่วให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ได้ไม่ใช่ประโยชน์แนะนําคุณแม่ให้ได้สําเร็จพระโสดาถ้าหางว่าได้แนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้สําเร็จพระโสดาบันนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดแปลว่า ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สมบูรณ์แบบท่านวางนันนะ เ, เพราะนั้นทุกท่านเอาธรรมเอาธรรมเข้าสู่จิตใจของพ่อแม่นะั้นเลิศประเสริฐ ด, ดีกว่าให้ให้ด้านวัตถุนะด้านวัตถุเราก็ไม่ได้มองข้ามนะแต่ด้านจิตใจเราก็ควรจะแนะนำสั่งสอนพ่อแม่ของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษประโยชน์และมีใ่ประโยชน์ให้สาเร็จพระในคุณคุณธรรม ให้สําเร็จคุณธรรมตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะใ น, นหลัเลิศประเสริฐที่สุดนะอันนี้คือธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้นะที่ลูกที่หลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษาได้อ่านมานะหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยในหลักธรรมคําสอนของพุทธะท่านได้นำมาบอกกล่าวให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะเอาต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะเจนีนะโหผลกําลังจะมาลูกหลานเนะี เอาแหงแหลงสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะฝนี่นะ